ข้อที่8ความยืดหยุ่นในการใช้วิธีการถ้าผู้สอนสอนอยังไม่มีอัตตาตัดตันหามานะทิฐิเสียได้ก็จะมุ่งไปยังผลสาเร็จในการเรียนรู้เป็นสำคัญสุดแต่จะใช้กลวิธีใดให้การสอนได้ผลดีที่สุดก็จะทำในทางนั้นไม่กลัวว่าจะเสียเกียรติไม่กลัวจะถูกรู้สึกว่าแพ้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 พระองค์ก็ทรงรับสมอ้างตามคําบริภารนั้นให้สมใจพรามและจึงค่อยชีย้แจงแก้ไขให้ขอยอมรับตามพระองค์ภายหลังเมื่อเผชิญอลวาคายักษ์ผู้ดุร้ายพระองค์เสด็จเข้าไปในที่อยู่ของอลวาคะอารวาคะสั่งพระองค์ให้เสด็จออกไปพระองค์ก็เสด็จออกตามสั่ง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 ตัวอย่างหนึ่งพรามคนหนึ่งเป็นคนมีมานะนิสัยแข็งกระด้างไม่ไว่ายแม้แต่มารดาบิดาอาจารย์และพี่ชายวันหนึ่งขณะพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมอยู่ในที่ประชุมเขาคิดว่าจะลองเข้าไปเฝ้าถ้าพระสมณะโคดมตรัสกับเราเราก็จะพูดกับท่านถ้าพระสมณะโคดมไม่ตรัสกับเรา เราก็จะไม่พูดกับท่านแล้วเข้าไปยือนอยู่ข้างหนึ่งพระผู้มีพระภาคก็ทรงเฉยเสียไม่ตรัสด้วยพราหมณ์ทำท่าจะกลับออกไปโดยคิดว่าสมณะโคโดมองค์นี้ไม่มีความรู้อะไรพระผู้มีพระภาคทราบความในใจของเขาอยู่ถึงตอนนี้จึงตรัสคาถาว่าพราหมณ์เออย